6. สุราปานวัคหนึ่งสุราปานสิกขาบท 104. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะดื่มสุราและเมรยัยนณะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโกสัมพีถามทรงปรารบใคร